างาประเทศศิลาอาศที่หลังสัตว์รถดีเมืองสีพนมมาตรแหล่งไม้กว่าตองกลงดอหอมแดงเรื่องชื่อนามประวบติตำนานเมืองไม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาลสีพนมมาตรคือศูนย์กลางแห่งรายธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุรณสมบูรณ์ของเมืองละแวกที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลายสวัสดีครับคุณนุ่งังครับพบกับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลสีพนมมาตรเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26กกันยายน พุทธศักราช2565หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้17นก30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆขอ ง, ของทางราชการระบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ คิดถึงแต่สาวชาวลบแหลสาวเมืองเหนืองามเหลือจริงแท้ปากก็หวานจริงแม่ลบแโร่โอเมืองไกลลงคอยลงแม่สาวงามอุตรดิตคิดคอยคิดว่าคงได้กลับไป นาแหวสาวชาวสวนคนุณบ้านไกลภาคเหนือเมืองไทยใกล้ไกลก็ไปก็ฝกันเพียงครั้งเดียวพี่ได้เที่ยวกับนอ้องเพียงแต่มองสายตาเพียงห้าวันเพียงครั้งเดียวพี่ได้เกี้ยวแจ่มจันทร์เก็บเอามาเพ้อฝัน ทุกวันบอกกินบนอนจากแม่สาวชาวเมืองอุตรดิษเก็บมาคีดเพราะหากเจ้าคัดแม่ระงอกลับถึงกรุงทีกลัดลุ่มอาวรนขอแลลาบดอกรอนคงย้อนกลับเมืองละแก เก็บเอามาเพอปันทุกวันบอกกินบอนอนจากแม่สาวชาวเมืองอูตะรดินเก็บมาคีดเพราะหากเจ้าขักแม่บ อ, อนกลับถึงกรุงพี่กลัดลุมอาวรนพอแหลลาบดอกห่อนคงย้อนกลับเมืองลับแล ย้อนว่ามึงสู่คนเกา่าเขาบอได้เป็นตัวละครลับเป็นแฟนแบบเข้าใจอย่าเรียกร้องให้เขารำคาตัวเห็นเขาเป็นเอียงตัวเห็นเขาเป็นแฟนบ่ตัวหักเขาอีลีบบอ แกคบเธอรอคนเกา่าเห็นเธอหาเขาเสมอหมักเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเขาความดีบ่สู่คนเกา่าแล้วสิคบกับเขาเพื่อยังง่อยใจแต่บอ่อยากถามแคอยากสิว้าว่าคบกันได้เต็มป่า เพีด่จังใดกับเขาบอกอยาเปิดโตให้คนหูเขาบอกกล้าเปิดโตมึงดอกก็ย้อนว่ามึงม่อดีคือแฟนเจ้าที่เขาคบมึงก็แค่แก่เงา มึงควรเข้าใจข้อนี้ถึงมึงสี่หักเขาจนว่าส่ตายมึงก็เป็นได้แค่นี้เขาก็หักมึงจำใส่สมองเค้ดีถึงมึงสี่หักเขาอีลีกบโมีย่ายน้อง แต่บออยากทางใครอยากสิว่าคบกันได้เต็มป่าสิเงทีจังใดแต่คาบออยากเปิดโตให้คนหูอเขาบอกกล้าเปิดโตมึงดอกันยอนว่ามึงบอดีคือแฟนเก่ามีเขาคบเหมือน กับแค่เรามึงควรเข้าใจข้อ so นี้ม like ึง hey, ส <ifie wonder peace in drilling> ีักเขาจนว่าสิตายมึงกับเป็นได้แค่นี้เอาบอกักมึงจาใส่สมองแต่ดีถึงไม่สียักเขาอีหลีก่บมีทหังด ตัวเขาบอกลาเปิดโตมึงดอกก็ย้อนว่ามึงบ่ดีคือแฟนเกา่าที่เขาคอบมือนก็แค่แก่เงามึงก็ควรเข้าใจข้อนี้ <Hey. S 1> ถึงมึงสิฮักเขาจนว่าสิตายนึงก็เป็นได้แค่นี้เขาบ่ฮักมึงจำใสสมองให้ดีๆ ม e oh ึงสิหักเขาอีลีกะบ่มีคาเงียมดอือมึงสิหักเขาอีลีโอเขากะบ่ฮักมึง สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันจันทร์ที่26 unit. ครับซึ่งแน่นอนครับ26กันยาถึง4ตุลาคมก็เป็นวันเริ่มในเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับวันนี้ก็จะนับเป็นวันแรกนั่นเองก็ถือว่าดีครับกินเจหนึ่งมื้อช่วยได้เป็นหมื่นชีวิตคุณผู้ฟังละเว้นครับจากการ พชีวิตหลายๆอย่างก่อนจะมาเป็นอาหารของเรา1มือ้อโอ้เยอะนะครับช่วยได้เป็นหมื่นชีวิตต่อๆต่อๆกันมาเกาะถือว่าดีครับก็จะได้ล้างบางอย่างออกจากร่างกายไปด้วยกินแต่ผักคุณรู้ฝั่งอ่ะก็ว่ากันไปครับก็เป็นในเรื่องของเทศกาลกินเจครับซึ่งหลายคนก็ปฏิบัติตนแบบเคร่งครัดนะครับ กินเจทุกปีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุณผู้ฟังมีหนึ่งข่าวมาฝากครับวันที่20 27กันยาอก็วันพรุ่งนี้ครับหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับหลวงพ่อการครับและคณะนะครับรวม9ก้ารูปด้วยกันก็จะมารับมินทบาทที่ตลาดลับแลครับ ก็จะเดินตั้งแต่ตลาดรับแรงนะครับรับปินทาบาตไปจนถึงประเวณโรงพยาบาลรับแรงฉะนั้นคณะศรัทธาหลวงพ่อ ก, การกับลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านใดที่สนใจจะใส่บาตรกับหลวงพ่อ ก, การเรียนเชิญ น, นะครับตั้งแต่6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับหกโมงเช้าวันที่27นะครับวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตลาดสดรับแรงครับไปจนถึงท่านจะเดินรับปินทาบาทไปจนถึง โรงพยาบาลรับแผละนะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาข้าราชการก็เรียนเชิญนะครับ บอกได้ไหมบ้านอยู่ห้นแห่งใดหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือหรืออีลาคำแพงแดนอีสานคนสวยของเมืองพากลาหรือสาวงามของเมืองตา ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิงรู้ไหมเวลาที่เธอจองตาฉันเคินจริงจริงเธอทำให้ใครคนณลงรักเธอขอถามตรงๆเลยขอจิตเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มีกันสักนิดหนึ่งได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่าน ไปสนคนอื่นเพราะใจถึงใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่นึ่งชอบจริงจรงเจ้าเอ๋ยรักจริงๆลายเอ๋ยจอเจ้าอู้เจ้าอเจ้าวงเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ๋ยรักจริงๆเศร้าเฮ่อต้องพูดมันเพื่อเธอจึงเข้าใจ ทําคแพงแดดอีสัตย์ุสวยของเมืองภาคกลางหรือสาวงามของเมืองตา ย, ยอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้รู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตาฉันเคินจริงๆ เธอทำให้ใครคนหมลงรักเธอก็ขอถามตรงๆขอจีบเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยังมีกันสักนิดนึงได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่านไปสนคนเอื่เพราะใจนต่ใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่ ชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงลายจะอูจะอีเจ้าเอาเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ๋ยรักจริง จ, จ, ออ จ, จ, จริเออรจรสรเฮยต้องพวดพูดเพอเธอจึงเข้าใจชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงลายจะอูจะอีเจ้าเอาออเช่นไร ชอบจริงๆเธอเอ้ยรักจริงจริางาวเฮ้อต้องพูดพันเพื่อเธอจึงเข้าใจชอบจริงจริเจ้าเอ้ยรักจริงจริงลาเอ้ยจะาอูเจ้อีเจ้าเาเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ้ยรักจริงๆริงสาวเฮ้อต้องพูดพ่นเพื่อเธอจึงเข้าใจ คนที่โซรฮักกันอาจบ่กมีมือนั้นอีกแผ่นบอกถึงไอ้สิฮักแต่เธอเจ้ายังฮักกันต่อบอมีเหตุผลที่ไอ้สิดึงเธอไว้ไปหักกับเขาให้มันแล้วมันทั่ บอต้องมาฟืน้นทำเป็นยังฮักกับไอถึงไอสิเจ็บเจ็บเบิดหัวใจแต่ไอ ย, ยังไหวปล า, ายทำใจเมื่อโดนไ อ, อ, อสิบอกฟื้นสิบอกขว้างสิเปิดทางให้เจ้าหากเขาไอาสิบอรังสิอดเอาแต่เธอนละเขาก็ขอเแค่บอกกันมา ไอ่ทำใจไปแล้วละตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไปเอ๋ไอ่เห็นใจไปแล้วลแต่ที่ไอ่ยังบอกว่าวยังย้อนร้ายอยากเจ้าเบิดใจอไอ่ทำใจแล้วละตั้งแต่เจ้าวอดำเขา้าอายถึงใจไปแล้วละ พอจำเป็นต้องทนเมาคำคักถ้าหากว่าเธอต้องการที่พบคนใหม่ไอซวบอกเฟรนด์นะเธอต้องการใหสิไปจบเพลงก็ได้พายทําทใจมานดน ไี่บอกตืนสีบอคขังสิ่เปิดทางให้เจ้าหักเขาไอสีบอรังสี่อดอเอาแต่เธอและเขาก็ขอแค่อบอกกันมาไอทั้งใจได้แล้วละตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไปยอายใจไปแล้วละ แต่ที่ไอ ย, ยังบอกว่าวยังย่อนวากอย่ า, ย า, ายยเจ้าเบื่อใจไใอใจแล้วลาตั้งแต่เจ้ามาำเขาไอจางใจไปแล้วลาบอกจำเป็นต้องทนเบ า, าคำหักถ้าว่าเธอต้องการที่คบคนใหม่ ไอซีบอเฟรนนะเธอต้องการสิไปจบเลยก็ได้พรายทำใจมาโดนไอซีบอกเฟรนนะเธอต้องการสิไปจบเลยก็ไดเพราะไอทำใจตั้งนาน สาระนารูวันนี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้ครับยังวนๆอยู่กับเรื่องราวของเทศกาลกินเจครับเอาเรื่องของ20อาหารยอดฮิตที่หลายคนเข้าใจผิดทำเจแตกมาฝากคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างครับอันดับแรกน้ําสลัดคุณผู้ฟังสลัดผักดูเหมือนจะไร้เนื้อสัตว์ครับแต่กินสลัดผักน้ําข้นในน้ําสลัดนั้นที่จะทาให้เราเจแตกได้ เพราะว่ามีส่วนผสมของนมไข่แล้วก็ยังมีนมข้นหวานที่อาจจะเป็นนมข้นหวานผสมครีมเทียมด้วยดังนั้นหากไม่อยากเจแตกครับก็เว้นไว้ก่อนสาหรับเมนูสลัดผักล้วนนะครับที่มาพร้อมกับน้ำสลัดใ ส, ส่หรือว่าสลัดผักน้ามันมะกอกอ่ะอันนี้ช่วยได้ส้มตำครับแปลว่าส่วนประกอบของส้มตาจะมีแต่ผัก แต่ในส่วนของเครื่องปรุงรสนั้นมีทั้งน้ำปลากระเทียมกุ้งแหง้งที่เห็นได้ชัดว่าไม่เจแน่ๆ แ, และหากกินส้มตำรสเผ็ดรสจัดเคสนี้ถือว่าไม่เจเข้าไปใหญ่ครับเพราะข้อห้ามการกินเจก็มีการห้ามกินอาหารรสจัดด้วยเช่นกันเส้นสปาเกตตี้บะหมี่บะหมี่กึง่งสําเร็จรูปครับอาหารเส้นจําพวกนี้มักมีส่วนผสมของไข่อยู่ด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่อาหารเจแน่นอน นอกจากจะเป็นเส้นหมี่หรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่หน้าซองปรากฏธงเจแบบนั้นกินได้ไม่ต้องกลัวเจแตกครับนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองหลายกล่องหลายยี่ห้อมีส่วนผสมของนมโคอยู่ไม่มากก็น้อยดังนั้นก่อนจะเลือกดื่มนมถั่วเหลืองในช่วงที่กินเจควรอ่านส่วนผสมด้านหลังกล่องสักหน่อยครับหรือเอาที่มีป้ายเจแปะไว้อันนี้ กินได้แน่นอนนมเปรี้ยวโยเกิร์ตครับนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตต่างก็ทำมาจากนมที่สำคัญในนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตก็มีแลคโตบาซิลัสแบคทีเรียมีชีวิตที่จัดว่าเป็นหนึ่งในข้อห้ามการกินเจเช่นกันกาแฟชาเย็นโกโ ก, ก้ครับหลายคนอาจข้องใจว่ากินเจกินกาแฟได้ไหมบอกเลยว่ากินได้แต่ต้องดื่มกาแฟดาที่ไม่ใส่นมข้นหวานหรือครีมเทียม ส่วนโกโก้ชาเย็นนมเย็นชาเขียวเย็นชานมไข่มุกเครื่องดื่มยอดฮิตเหล่านี้มักมีส่วนผสมของนมข้นหวานและครีมเทียมไม่ใช่เครื่องดื่มเจยอย่างแน่นอนเครื่องดื่มผสมน้ำผึ้งรับมะนาวน้ำผึ้งชาเขียวเย็นสูตรน้ำผึ้งมะนาวหรือเครื่องดื่มสมุนไพรใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งก็พึงระวังไว้อย่างว่าพักก่อน ไม่งั้นอาจจะเจแตกไม่รู้ตัวช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเป็นขนมที่มีส่วนผสมของโกโก้เป็นหลักก็จริงแต่อย่าลืมว่านอกจากโกโก้ในช็อกโกแลตส่วนใหญ่ก็ยังมีผสมนมเนยเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยวุ้นเยลลี่หมากฝรั่งลูกอมครับขนมกลุ่มนี้ไม่เจครับก็เพราะกินแล้วมีส่วนผสมของเจลาติน ก็มีส่วนผสมของไขมันจากสัตว์ทั้งนั้นส่วนลูกอมบางยี่ห้อก็มีส่วนผสมของนมแล้วก็ครีมเทียมด้วยดังนั้นก่อนกินขนมเหล่านี้แนะนําให้ดูส่วนประกอบบนฉลากดีๆครับไอศกรีมน้ํานแข็งใสแน่นอนครับส่วนมากมีส่วนประกอบของนมแล้วก็ครีมเทียมนะครับแต่หากเป็นไอศกรีมหวานเย็นหรือว่าซอเบทนะครับก็ยังพอจะเป็นไอศกรีมเจได้อยู่ ส่วนน้ำแข็งใสก็ต้องระวังในส่วนของเครื่องที่อาจจะไม่เจครับช็อกโกแลตเวฟเฟอร์ต่างๆเยลลี่หรือแม้แต่นมข้นหวานที่ราดบนน้าแข็งเพิ่มความหวานตอนสุดท้ายขนมไทยครับขนมไทยหลายชนิดมีส่วนผสมของไข่ครับเช่นสังขยาทองหยิบทองหยอดฝอยทองมออกแกงข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้าปลาขนมผิงดอกจอกบัวลอย ที่อาจใส่ไข่หวานหรือนมสดลงไปด้วยอีกทั้งวุ้นกะทิลูกชุบซึ่งมีส่วนผสมของเจลาตินหรือแม้แต่ขนมครกหน้าต้นหอมรวมไปถึงขนมครกใบเตยก็มีส่วนผสมของไข่ด้วยเช่นกันเค้กคุกกี้ขนมปังครับขนมปังที่ไม่มีคําว่าเจกากับอยู่อย่าเสี่ยงกินเลยดีกว่าครับ เพราะโดยมากแล้วขนมปังจะมีส่วนผสมของเนยหรือไข่ไก่โดยเฉพาะขนมปังใส่ไส้ชนิดต่างๆอย่างขนมปังสังขยาขนมปังราดน้ำผึ้งขนมปังชีสเค้กคุกกี้โดนัทพายป๊อปคอนถั่วชนิดต่างๆครับป๊อปคอนเป็นขนมที่มีส่วนผสมของเนยบางทีก็ปรุงรสด้วยชีสส่วนธัญพืชอย่างถั่วก็ควรเลือกที่ไม่มีส่วนผสมของน้าผึ้ง หรืออบเนยจะได้เจไม่แตกครับข้าวเกรียบแม้จะเป็นข้าวเกรียบผักเช่นข้าวเกรียบฟักทองแครอทหรือข้าวเกรียบเห็ดแต่ทั้งนี้ก็ต้องอ่านส่วนผสมให้ดีครับเพราะข้าวเกรียบส่วนใหญ่มีกุ้งแห้งผสมอยู่ด้วยแถมยังมีส่วนผสมของกระเทียมอีกต่างหากดังนั้นเลือกกินข้าวเกรียบที่มีควาว่าเจอยู่บนซองจะดีกว่าน้าปลาหวานเครื่องจิ้มผลไม้บางชนิด บางทีเราก็ต้องคำนึงถึงเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องจิ้มผสมผลไม้ที่มาคู่กันด้วยครับอย่างมะม่วงน้ําปลาหวานกระท้อนทรงเครื่องมะกอกทรงเครื่องหรือแม้แต่พริกเกลือที่มีส่วนผสมของกะปิรวมไปถึงพริกเกลือเค็มที่แม่ค้าส่วนใหญ่มักจะผสมผงปรุงรสที่ทําจากเนื้อสัตว์ลงไปอันนี้ต้องระวังด้วยครับเต้าหู้ไข่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเต้าหู้ไข่ แต่บางคนอาจเผลอลืมไปว่าเต้าหู้ไข่เป็นอาหารเจยิ่งเมื่อทําเป็นอาหารสําเร็จรูปแล้วบางทีเราก็อาจจะลืมคิดไปได้ครับว่าเต้าหู้ที่กินไปนั้นเป็นเต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้ขาวที่ทําจากถั่เหลืองล้วนๆดังนั้นอยากให้ระวังข้อนี้ให้ดีด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิดไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในข้อห้ามการกินเจเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อร่างกายริ่ดมากมาย ฉะนั้นจะกินเจรหรือไม่กินเจก็อยากให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีกว่าก็เป็นเรื่องราวครับของอาหารนะครับยอดฮิตที่หลายคนอาจจะเข้าปิดเข้าใจผิดจนทำให้ช่วงเจแตกขึ้นมาก็ได้ครับก็เป็นสาระน่ารู้ที่ยิ่ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ กัพานียงมาลายแล้วกัพ่อมาประสุนแนวแล้วบอมแม่นอทั้งเจ้าชูทั้งลายใจเหตุมึงให้เสียใจนั้นตาคอ มึงสิทนต่อไปสันบอกคำว่ากัก็เลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอิลอิละสูสูบได้เป็นกูสูบโดอเอาจังสีผู้สิวสูฟังว่าเป็นยังกูคือหักครั้ง ท, ง, ท ง, ทงที่เขาลหลใจ กูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ก็กูเป็นมาเปิดแล้วคนโง่ันสว่านบอถือทัคนถือทิ้งเธอปาถือไปมีน้ตาโงเพื่อใคเปิดเื่อมาผูเป็นมาเปิดแล้วสิเป เงีกะฮักเขาลบ้านนั้นสีให้เฮ็ดจังดกันอนว่าฮักาหล เลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอีแิละสูบสูบได้เป็นกูสูบบ่วดกเอาจังสิกูสิว่าสู้ฟังว่าเป็นอย่างกูคือหักทั้งทั้งที่เขาลายใจเป็นอย่างกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ กูเป็นมาเปิดแล้วคนง่คสัวคนบ่ถือข้าคนถูกทถือปาถือมีน้าโง่ือใครปืเอมาูเป็นมาเปิดแล้วสปสีงสเป็นยงกะฮักเขาลายปานนั้นส้เฮตจังได้กย้อนว่าฮัก มาเบิดแล้วคนโง่คนสวัวคนบ่ถึกข้าคนถึกทิมถึกป่าถึกไปังให้มีน้ำตาโงกคือควายเปิด ค, คือมาคือเป็นมาเบิดแล้วสิเปิ้อีสิโง่สิเป็นยังกะฮักเขาไลา่ปานนั่นสิให้เฮ็ดจังใดกะยนอนว่าฮักเอาละ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 ม ใ, ใจนั่นต้องเจ็บอยา่าเก็บเอาไปคิดว่าชีวิตที่เหลือ น, นับจากวันนี้เธอไม่เป็นอะไรเธอยังหายใจอยู่หลังฟงฟ้าฟาสวยงามเสมอ ฝากประชาสัมพันธ์ครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมงานครับกับสํานักงานเทศบาลตำบลสิงห์พนม่าครับก็เปิดป ร, รับสมัครพนัก ง, งานนะครับทําหน้าที่กวาดถนนครับ1อัตราเป็นเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้นะครับไม่จํากัดเพศนะครับรับพงงนักงานกวาดถนน1อัตราครับถ้าสามารถมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักปลัดเทศบาลในช่วงวันและเวลา ราชการครับก็เปิดรับ1ตําตำแหน่งนะครับท่านใดที่สนใจมาร่วมงานกับสำนัก ง, งานเทศบาลตำบลศรีพนมาศเรียนเชิญครับในตำแหน่งพนัก ง, งานกวาดถนนนะครับรับสมัคร1อัตราครับ เรื่องใดก็สร้างก็ว้าอ้าว่าเจ้าของเก่งหลายว่ายอมแพ้ว่าเจ้าของคักหลายบ่ภ่ายไ่เพิ่งว่าว่าตัวเจ้าของเป็นอาสวินยืนหนึ่งพอมาถึงเมื่อนี่นั่งเงาคือมาคือมีน้ำตา เพื่อนก็วาดเจ้าของเก่งไหลเพื่อนก็วาดเจ้าของบอยอยอมไปมือนีเธอเขาทิ่งไปได้นั่งให้ซ้ำบ่ Life. อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายหากยังมีลมหายใจกดดูแลกันให้ดีดีอย่ารอคอยวันเวลาให้ชกชัดปามกนนังนนอย่ารอให้ถึง นพบเส้นชัยถ้าหากยังมีกันอยู่มอดูแลดีดีด้วยหัวใจเราวันคงมีไม่รู้มีกี่วันอย่าโบกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้อย่าเย็นให้กัน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 กพราะเพราะว่าฉันคงตื่นภัยให้เธอไม่ได้ นอนอย่ารอให้ถึงตอนจบก่อนพบเส้นชัยถ้าหากยังมีกันอยู่ก็ดูแลดีด ด, ด้วยหัวใจเราวันพุงนี้ไม่รู้มีกี่วันอย่าบอกรก ในวันที่ฉันไม่ได้อย่ายกันอย่าทำในสิ่งที่ฉันโง่โในตอนที่มันสายอย่าปล่ฉันให้ฉันรู้สึกดีมาวันนี้ฉันื่นกดเธ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 คงตื่นมาภัยให้เธอไม่ได้อย่าปลอบฉันให้ฉันรู้สึกดีอาวันนี้ฉันตื่นก็เธอไม่ได้ก็เพราะว่าฉันคงตื่นมาภัยให้เธอไม่ได้ ไม่เป็นไรนัใจปวดจมเข้มแข็งให้เหมือนขอคืนนี้สุดลูกเช้าสั่งเมาบอกกับตัวเองว่าพอขอเริ่มต้นใหม่หยุดเดินสักพักอาจจะมีคนรอยกแก้วสุดท้ายได้ลักสลายปิดไฟ <ข S 2> พอใจไปบนพาดอืมดำคืนนี้กับดวงดาราแค่ฝุ่นรักกระเด็นเข้าตาเขาไม่รักแค่หันกลับมาอกใจช้ำด้วยนะ คนใจร้าย sad คำร่ำล มาที่พยากรณ์อากาศครับคุณผู้ฟังภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องถึง24องศาอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือถึง17นิกวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฝนฟ้า 70% เอร์เซนครับก็ยัง ต้องเฝ้าระวังต่อไปนี่อยู่ๆคลึ้มใหม่ครับกูดูฝั่งทีแรกก็แดดดีๆตอนนี้คลึ้มอีกแล้วต้องลุ้นค่ำคืนนี้แหละครับ มีคนกลับมาเถิด น, นาท้องนาอย่างคอยพอแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความหมดหมดี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึนทนอยากร้องเพลงรอก ด, ด้วยคน จะหวนกลับมา One come b a k เวลาสิบแป็นาทุกา คุณผฟังครับหมดเวลาอครงการเสริมทำสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพุตรม่านเมืองรับแลแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้27กันยายนครับช่วง6กโมงเช้าเป็นต้นใบครับหลวงพ่อ ก, การพร้อมคณะประมาณ9รูปนะครับก็จะมารับบิณฑบาต ท, ที่ตลาดสดลับแลของเราก็ขอเรียนเชิญศรีญาณสิทธิ์คณะศรัทธาหลวงพ่อ ก, การครับมาร่วมใส่บาตรนะครับก็จะใส่ตั้งแต่ท่านจะเดินรับบิณฑบาตตั้งแต่ ตลาดรับแแปลครับไปจนถึงโรงพยาบาลรับแแปลนะครับเล็กหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของการเปิดป ร, รับสมัครพนัก ง, งานกวาดถนนนะครับท่านใดสนใจครับก็รับเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้ครับ1อัตรานะครับสนใจก็มาติดต่อสอบถามที่สํานักปลัดของทางเทศบาลในช่วงวันและเวลาราชการครับก็รับสมัครพนัก ง, งานกวาดถนน1อัตรานะครับ